สวัสดีครับทุกท่านพบกับดังตรินวิสาชนาวันณาทิตย์นะครับครั้งนี้ครั้งที่29เป็นดังตรินวิสาชนาไลฟ์นะฮะนับแต่นี้เป็นต้นไปผมจะมีผู้ช่วยมาเสริมความเข้าใจนะแต่ไม่ใช่เป็นคนเป็นแอนิเมชันนะอย่างที่เกินไว้หลายครั้งหลายหนแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้ดูบางส่วนแล้วด้วยนะครับ ต่อไปเนี่ยเวลาผมพูดถึงสภาวะหรือว่าวิธีนะที่เราจะเจริญสติเราจะเอ า, เอาลมหายใจมาเป็นตัวตั้งมาเป็นคือเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นตัวพยุงนะเป็นตัวช่วยให้ออกจากจุดเริ่มต้นในการเจริญสติ ได้นะครับแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือว่าประธานแนวทางไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็ยังที่หลายๆคนเคยได้ยินว่าหลักการทางพุทธศาสนานะที่สําคัญที่สุดนะก็คงหนีไม่พ้นสติปัฏฐานหรือว่าอานาปานาสตินะครับหลายคนจําว่าอานาปานาสติคือการดูลมหายใจแต่จริงๆแล้ว การเห็นลมหายใจหรือว่าการดูลมหายใจเนี่ยมันเป็นแค่บันไดขั้นต้นต น, ต น, นะอย่างอันเนี้ยผมจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นเต็มอันเนี้ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งสั้นๆ น, น, นะครับเราเวลาเราเริ่มเห็นลมหายใจเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นธรรมดารมดารู้สึกถึง อาการเข้าอาการออกนีของลมหายใจแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางกายอย่างเช่นท้องพองขึ้นมาแล้วก็ยุบลงไปเน่ย เ, เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ ย, เ, ยเราจะแค่รู้สึกถึงลมหายใจก่อนอันนี้ผมสมมุติเป็นเหมือนการลมหายใจสีดํานีตอนที่เป็นลมหายใจสีดำเนี่ยคือช่วงที่เราแค่รู้สึกแต่ถ้าเป็นสีขาวช่วงลมหายใจสีขาวเนี่ยหมายความว่าเราเห็นลมหายใจ อย่างชัดเจนเลยคือมันเห็นเหมือนสายน้ำตกเลยนะไอ้ทีนี้ถ้าเราเห็นลมหายใจได้เนี่ยเราก็สามารถจะเห็นความปุ้งสั้นของตัวเองในความพุ้งสั้นเนี่ยนะในแต่ละลอกออในแต่ละลอก ล, ลมหายใจเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมันจะมีความหนานแน่นมันจะมีความมืดไม่เท่ากันซึ่งถ้าเราเข้าใจแค่หลักการตรงนี้ได้เนี่ยนะ เราจะสามารถต่อยอดเป็นการดูนะสภาพภายในความเป็นรูปเป็นนามของกายใจเนี่ยได้แบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะซึ่งถ้าผมเอาแอนิเมชันมาเป็นส่วนประกอบส่วนสาธิตส่วนช่วยนะกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเห็นเนี่ยมันก็น่าจะชัดเจนกว่าพูดปากเปล่านะครับ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็กะว่าจะใช้อะไรแบบนี้นะเป็นเป็นตัวที่จะช่วยเสริมความเข้าใจนะครับที่ที่นํามาให้ดูเนี่ยมันเป็นแค่ เ, ออเหมือนกับ ส่วนเล็กๆส่วนย่อยๆนะเนี่ยอย่างไ อ, อ้สีดำๆมืดๆเนี่ยผมสมมุติให้เป็นความพุ่งสั้นแต่ความพุ่งสั้นจริงๆแล้วเราสามารถที่จะแสดงรูปแบบได้หลากหลายแล้วแต่ละลมหายใจเนี่ยถ้าเราเห็นถึงลมหายใจจริงๆเข้ามาในตัวเองนะเราก็สามารถทราบได้ว่าในแต่ละลมหายใจเนี่ยความพุ้งสั้นมันต่างไปเรื่อยๆมันไม่เท่าเดิม เดี๋ยวมันก็เข้มขน้นเดี๋ยวมันมืดนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆซาตัวลงเดี๋ยวมันก็ค่อยเบาบางลงนะถ้าเราสามารถเห็นความไม่เที่ยงภายในกายภายในใจของเราได้แค่นี้นะมันคือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สตรองมากๆแล้วคือมันมันจะมีความมันทิศทางของการรู้เข้ามาในกายใจเนี่ย มันจะถูกต้องขึ้ น, นเรื่อยๆมันจะชัดเจนขึ้ น, นเรื่อยๆแล้วก็เราจะทราบผลจากอสภาพในใจของเราเลยว่าความยึดมั่นถือมั่นมันน้อยลงจริงๆพอเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสพอเราเริ่มเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยจิตมันจะเริ่มถอยออกมาเป็นผู้ดูมีความพอใจที่จะรับรู้ มีความพอใจที่จะรับรู้ว่าความผุ้งซ่านมันต่างไปได้เรื่อยๆมากกว่าความพอใจแบบเดิมที่มันจะแค่เหมือนกับพอใจที่จะคิดห่วงความคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายึดติดผูกติดว่าความคิดนี้คือเราเราคือความคิดแต่พอเห็นมันต่างไปเรื่อยๆในแต่ละลมหายใจเนี่ยนะมันจะค่อยๆถอนความยึดติดผิดๆแบบนี้ไป มันจะกลายเป็นว่าเออไอ้ที่เราเห็นว่ามันเป็นความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนะแต่เป็นภาวะของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่กำลังแสดงตัวเองว่ามีความแปรปรวนไปแล้วก็มีเหตุปัจจัยต่างๆนาน า, นานาเข้ามายกตัวอย่างเช่นช่วงนี้นะอากาศร้อนนะคนมีความรู้สึกนึกคิดที่แย่ๆกันมากขึ้นนะข่าวที่ออกมาตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปดูช่องข่าวที่มัน ชาวบ้านชาวบ้านนิดนึ่งไงนะมันจะทนดูไม่ไหวเลยโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยนะมันเป็นการฆ่ากันในครอบครัวมันเป็นการด่าทอกันง่ายๆแล้วก็แทงกันง่ายๆกลางถนนอะไรแบบนี้เนี่ยมันมันมันเหมือนกับเราอยู่ในยุคมืดที่ผู้คนเนี่ยพากันเป็นบ้าเป็นบอกันไปหมดแต่ถ้าหากว่า เราสามารถเข้าใจแก่นของพุทธศาสนาได้แค่นี้นะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยว่าความคิดถ้าถ้าถ้าเกิดขึ้นขณนะที่อากาศร้อนๆเรารู้สึกแย่ๆเนี่ยนะมันเป็นความคิดแบบอกุศลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเห็นมัน ในแต่และลมหายใจว่าเออมันมั น, ม, นมันมีความคิดชั่วร้ายเข้มข้นขึ้นมาในลมหายใจนี้อีกลมหายใจหนึ่งมันสามารถที่จะออคลี่คลายเบาบางลงได้เนี่ยแค่เห็นอย่างนี้เท่านั้นนะคดีต่างๆที่เราเห็นหน่าสลดใจทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลย เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยสตินี้เป็นสุดยอดเลยนะของมหากุศลจิตนะคือคือเป็นต้นต่อของมหากุสลจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกับรอยเท้าช้างที่จะสามารถรวบรวมเอารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไว้ในที่เดียวกันได้นะถ้าใครมีสติเห็นความคิดไม่เที่ยงได้ นะเริ่มต้นจากการเห็นลมหายใจไม่เที่ยงก่อนแล้วค่อยไปดูว่าความคิดไม่เที่ยงเนี่ยนะมันมันจะมีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปในตัวเราเนี่ยมันไม่นายุดติดมันจะเป็นไอความรู้สึกชั่วร้ายแบบระดับเล็กๆก็ดีระดับปานกลางก็ดีหรือว่าระดับที่เบิ่มเบิมเลยก็ตามเนี่ยนะ เมื่อมันปรากฏขึ้นเนี่ยปกติคนทั่วไปจะหลงยึดว่าเนี่ยความคิดของฉันแล้วก็จะเอาตามความคิดนั้นเล่นไปตามความคิดนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสตินะเริ่มต้นขึ้นมาเรารู้ลมหายใจไม่เที่ยงแล้วเห็นความคิดไม่เที่ยงได้เนี่ยไอ้ความคิดที่ไม่เที่ยงที่มันปรากฏอยู่เนี่ยนะมันจะก่อให้เกิดสติแล้วสติตัวนี้เนี่ยเป็นสติที่ อยู่เหนือบุญเหนือบาปทั้งหลายนะะคือมันจะมีความคิดขึ้นมาอีกแบบหนึง่งคิดว่าเออเราพอใจที่จะดูมันผันผวนไปแปรปรวนไปแล้วก็ไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเรานี่เนี่ยมันนี่คือความแตกต่างอย่างฟ้ากับเหวเลยระหว่างคนทั่วไปนะครับในโลกแล้วก็คนที่ จะเจริญสติกันเอาละอันนี้ก็เป็นแค่การสาธิตให้ดูว่าต่อไปเราจะมีเครื่องเครื่องช่วยเครื่องช่วยทำให้เห็นนะประสบการณ์ภายในซึ่งซึ่งจะแต่ละตอนเนี่ยนะมันก็จะมีอะไรที่พิสดารขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้จัดเรียงคิวไว้แล้วนะเป็นมหากราบเลยของแอนิเมชันการเจริญสติเนี่ยนะ ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำอวยพรจากทุกท่านนะครับแล้วก็ทักทายกับทุกคนด้วยนะผมขออภัยด้วยเมื่อกี้เห็นมีมาหลายคำถามนะออพอดีกำลังอารัมพบทอยู่ อ, อละก็เดี๋ยวผมจะรอคำถามจากทางนี้เลยก็แล้วกันนะ คำถามแรกนะครับเอ่อบอกว่าตอนนี้ปฏิบัติด้วยการนั่งผมเข้าใจว่านั่งสมาธินะแล้วก็สวดมนต์เกือบทุกวันเวลานั่งจะมีความรู้สึกเหมือนกับติดเพ่งเพราะว่ารู้สึกตึงๆที่หน้าผากนะตึงๆตรงเนี้ยแล้วก็เอ่อ จิตเนี่ยมารู้การเต้นของหัวใจสลับกันไปไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องการที่นะเริ่มต้นขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าเรากำลังจะต้องทำภารกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเจริญสตินะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ ขึ้นต้นขึ้นมาแค่นั้นเนี่ยก็ยังไงอะไม่ถูกองศาที่จะก่อให้เกิดสมาธิแล้วนะยิ่งเรามีความคิดว่ามันเป็นภาระมากขึ้นเท่าไหร่ความเพ่งหรือว่าความความเข้มข้นในการเพ่งนะมันจะยิ่งมากหรือทวีตัวขึ้นเป็นเงานะครับเริ่มต้นขึ้นมาผมถึงเน้นมากเลย เนียเดี๋ยวพอแอนิเมชันเสร็จเนี่ยเป็นอนาณาปานสติเต็มรูปแบบเลยเนี่ยนะเต็มคลิปเลยเนี่ยผมจะมีอยู่สี่ขั้นสี่ช่วงคือช่วงแรกนี่แบ่งเอาเองเนะแบ่งเอาตามอัตโนมัติของตัวเองแต่อีกสามช่วงหลังเนี่ยจะเอาตามพระพุทธเจ้าเป๊ ะ, เ, ปะเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับอาณาปานสติสูตรเนี่ยนะท่านไม่ได้แค่ให้ดูลมหายใจแต่ท่านให้ใช้เป็นเครื่องมือ ในการกำกับสตินะซึ่งอันเนี้ยผมพูดเลยก็แล้วกันพูดเพื่อตอบคำถามนี้แหละแต่มันเป็นสูตรสากลเลยสำหรับผู้ที่มีความมีประสบการณ์เกี่ยวกับอนาปานาสติแล้วจะทราบว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนมาตรฐานเลยนะขั้นแรก ก่อนเข้าถึงอาณาปานสติก่อนเริ่มต้นอาณาปานสติเนี่ยเราต้องมีความพร้อมทางกายทางใจเสียก่อนก้นส่วนใหญ่เนี่ยเคลนต้นมาเข้าใจว่าการทําสมาธิดูลมหายใจนะการการนั่งสมาธิเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยคือการหลับตาและพยายามเข้าไปจับลมหายใจว่าเข้าว่าออกถ้าจับไม่ได้ถ้ามีความฟุ้งซ่านอยู่นะกำลังฟุ้งกระจายอยู่เนี่ย มันจะมีความอึดอัดมันจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะฝืนเพราะพยายามต่อต้านกับไอ้ความคิดในหัวนะยิ่งต่อต้านมากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีความเครียดความเครียดเนี่ยมันจะสะสมที่หน้าผากหรือว่าที่ขมับนะบางทีสําหรับคนส่วนใหญ่นะฮะบางทีแน่นหน้าอกนะหรือบางทีก็เกรงเนื้อเกรงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเริ่มต้นนะครับขึ้นมา แตกต่างไปแค่นิดเดียวสํารวจความพร้อมทางกายก่อนว่าเท้ามันเกร็งอยู่ไหมมือกาอยู่ไหมหน้าผากเนี่ยมันตึงอยู่ไหมถ้ามีความผ่อนคลายที่ฝ่าเท้าฝ่ามือนะมันมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าหน้าผากพร้อมจะผ่อนคลายยกเว้นบางคนที่เครียดเครียดเป็นอาชีพนะ มีอาชีพนั่งเครียดแล้วก็คิดคิดมันไปนะคิดมันเหมือนกับคนแบกโลกทั้งใบไว้ในหัวเนี่ยนะไอ้แบบนั้นมันอาจจะคลายยากหน่อยแต่ว่าสำหรับคนส่วนใหญ่นะถ้าฝ่าเท้าคลายฝ่ามือคลายเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าใบหน้าเนี่ยมันผ่อนคลายตามไปด้วยแล้วไอ้ความรู้สึกทางกายที่มันกำลังนั่งอยู่เนี่ยนะมันก็จะชัดเจนขึ้นมาตามตามไปเป็นเงาตามตัว มันมีความผ่อนคลายทั้งร่างกายเนี่ยไอ้นี่ตรงนี้เนี่ยมันถึงจะเติมนะมีความพร้อมในการเจริญอาณาปานสติขั้นพื้นฐานถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจจากการผิดศีลอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบนะ จะรู้สึกคล้ายๆกับว่าชีวิตเราเนี่ยร่างกายของเราจิตสํานึกของเราเนี่ยคล้ายเป็นพานทองพร้อมจะรองรับของสูงอย่างอาณาปนานสติได้แล้วของสูงที่ว่านี้ไม่ใช่อะไรที่เราต้องไต่กระไดขึ้นไปหรือว่าปีนกระไดขึ้นภูเขาทองอะไรซะก่อนนะจริงๆแล้วมันก็คือลมหายใจเข้าออกธรรมดาธรรมดานี่แหละพอร่างกายมีความผ่อนพักมีความผ่อนคลายและจิตใจสบายจากการรักษาศีล น, นะ แค่หายใจมันก็จะรู้อยู่แค่เดียเด๋ยวๆนี่แหละลมหายใจเดียวๆนี่นะมันจะรู้สึกแบบว่าที่รู้เนี่ยรู้ไปเพื่อความยิ่งผ่อนคลายมันเป็นความผ่อนคลายยิ่งยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกเลยว่านะผากเนี่ยไม่ตึงนะแล้วมันไม่มีอาการเก็บกักความกดดันอะไรไว้ทั้งสิ้นนะมีแต่ความรู้สึกว่าสบายยิ่งยิ่งขึ้น ไอ้ความรู้สึกสบายยิ่งยิงขึ้นเนี่ยเป็นตัววัดอย่างหนึ่งว่าเราเริ่มต้นอาณาปานสติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องคําว่าอาณาปานสติขั้นพื้นฐานนะเนี่ยเดี๋ยวอาฉายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งคือเราจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเนี่ย ม, มันมีขยับอยู่แค่เนี้ยนะหน้าท้องพองออกมาแล้วก็ยุบลงไปนะไม่ต้องท่องก็ได้ว่าพองว่ายุบนะเอาแค่รู้สึกทีนี้พ อ, อรู้สึกได้ถึงความขยับเคลื่อนไหวท้องพองท้องยุบเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นว่าเออไอที่พองที่ยุบเนี่ยมันมีลมหายใจทีนี้สายลมหายใจเนี่ยมันมีสองแบบมันมีทั้งแบบทีเ่เรารับรู้มันอย่างเดียว นะว่ามีการหายใจเข้ามีการหายใจออกอย่างเนี้ยผมผมสมมติให้เป็นภาพลมหายใจสีดํานี่พอเราไม่สนใจอะไรอย่างอื่นนะดูไปเรื่อยๆรแค่หายใจพันเข้าหายใจพันออกเนี่ยไอความผุ้งสั้นเนี่ยที่อยู่ในหัวนะมันจะค่อยๆเบาบางลงเหมือนกับม่านหมอกมืดมืดเนี่ยมันเปิดเผยทัศนียภาพ ที่มันแจ่มใสขึ้นในตรงนี้เนี่ยมันมันจะมันจะรู้สึกถึงลมหายใจที่เป็นภาพขึ้นมาลองสังเกตนะตอนแรกๆนะมันจะเป็นสายลมหายใจเหมือนกับสายลมจางๆแต่พอเราไม่สนใจอย่างอื่นไม่วอกแวกไปทางไหนนะรับรู้อยู่แต่ลมหายใจที่สบายผ่อนคลาย บางทียาวบางทีสั้นไอภาพลมหายใจที่ปรากฏต่อจิตเนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งเรากลับเป็นสายน้ำตกหรือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบเทียบไว้เหมือน เ, อเส้นเชือบที่มีผู้ชักชักรอกอย่างฉลาดนะคือมีการชักขึ้นชักลง ตามจังหวะที่เหมาะสมถ้ามันร่างกายมันควรจะเอาลมหายใจเข้ายาวเอาลมหายใจออกยาวแล้วก็ชักยาวถ้ามันอยากจะได้แค่สั้นๆเราก็ชักแค่สั้นๆเนี่ยชักรอบชักขึ้นชักลงเนี่ยลมหายใจมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะพอพอเราพอเราเห็นแบบมันชัดๆเลยนะมันจะคล้ายๆกับเส้นเชือกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้จริงๆคือ ถึงเวลาเข้ามันก็เข้าของมันเองถึงเวลาออกมันก็เหมือนออกของมันเองนะเราแค่เป็นผู้ดูอยู่แล้วเวลาที่เราดูลมหายใจได้แบบชัดเจนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังนั่งกำกับหุนอะไรตัวหนึ่งนะที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วในหุนตัวนั้ น, น, นในหัวเนี่ยมันจะชัดเจนเนะบางทีเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความคละคลุ้งของความฟุ้งซ่าน นะบางลมหายใจมันมันฟุ้งมากมันฟุ้งหนาแน่นเลยแต่บางลมหายใจเนี่ยก็แค่เบาบางพอเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะมันกลายเป็นมันพร้อมจะกลายเป็นอาณาปานสติเต็มขั้นขึ้นมาจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ สาธิตให้ดูภาพของความพุงสั้นที่มันหนาแน่นบ้างเบาบางบ้างเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องแอดวานซ์นิดหนึ่งแล้วนะคือจริงๆอางนาปนาณสิสติเนี่ยอย่างอย่างที่ผมว่าขั้นแรกเราเตรียมความพร้อมก่อนเตรียมความพร้อมของสติเตรียมความพร้อมของกายนะฮะอย่างที่เราเห็นท้องท้อ ง, องพองยุบได้เนี่ยนะแล้วก็ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะไอเนี่ยตรงนี้เป็นแค่ขั้นต้นแต่ถ้าเราเริ่มรู้ ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดูไอกองลมทั้งปวงอยู่อันนี้เริ่มขั้นกลางแล้วนี้พอเราสามารถเห็นเข้ามาในลมคือคือเห็นลมหายใจชัดเจนก่อนแล้วก็เห็นเข้ามานะว่าภายในขอบเขตของกายของใจเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันจะเห็นชัดๆก่อนเลยที่ในหัวเนี่ยนะบางทีมันก็พุ่งมากบางทีมันก็ฝุงน้อยในแต่ละลมหายใจไม่เท่ากันเนี่ยตรงนี้แอดวานแล้ว แล้วมีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยนะในอาณาปานสติเดี๋ยวผมจะเอามาแสดงให้ดูเป็นคํำๆเลยว่าท่านตรัสไว้ยังไงแล้วมันมีประสบการณ์มันมันเห็นเป็นประสบการณ์ภายในอย่างไรนะอันนี้สรุปก็คือว่าถ้าใครนั่งสมาธิบอกว่านั่งสมาธิแล้วตึงที่หน้าผากนะไอ้ตัวเนี้อยู่ขั้นต้นนะ บอกได้เลยว่าขั้นต้นของอาณาปานสติเราเนี่ยมันผิดทางนะครับเรายังมาไม่ถึงตัวอาณาปานสติจริงๆเลยด้วยซ้าการที่อ่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าใครรู้สึกตึงๆรู้สึกเครียดๆนะยิ่งนั่งยิ่งเครียดนะนะอันนั้นไม่ผ่านแม้กระทั่งขั้นเตรียมตัวขั้นพื้นฐานเข้าที่จะเข้าสู่อาณาปานสติเบื้องต้น อาณาปนานสติเบื้องต้นเนี่ยคือมันต้องมีความผ่อนคลายพอสมควรมันต้องมีความพร้อมทางกายมีความความพร้อมทางจิตซะก่อนนะถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันมันมันจะวนอยู่อย่างงั้นยี่สิบสามสิบปีวนอยู่กับความเครียดบางวันไปอยู่ในที่ที่สบายมีความล่งอกร่งหัวนะเกิดความรู้สึกเหมือนกับฟลุกจังวันนี้เออทาสมาธิได้ดีแล้วก็จําอยู่แค่นั้นนะว่าฉันทําสมาธิได้ดี แล้วก็ครั้งต่อๆไปก็จะพยายามทำให้ได้ดีแบบนั้นหรือดียิ่งกว่านั้นอย่างผมเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยนั่งสมาธินี่โลบจัดเลยนะคือวันวั น, นแรกๆพ อ, เ, อ, อเหมือนกับรู้อะไรได้แค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยอยากจะได้ถึงฌานภายในเจ็ดวันคื อ, ค อ, อ, อรู้สึกว่าเป็นความเก่งนะรู้สึกว่า เออมันจะทำให้เราเป็นคนพิเศษได้มันจะทาให้เราเ อ, อ่อยังไงอะ่ะเป็นผู้พิเศษอะ่ะอะไรแบบนั้นเน่นะก็เลยยิ่งโลภมันก็ยิ่งกลายเป็นคนไม่พิเศษหนักขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งยิ่งอยากนะมันก็ยิ่งมีไอ้หมอกหม่านหมอกมืดดำมาคลุมหัวมายึดหัวใจไว้นะไม่ให้ร่างกายเนี่ย มันทําสมาธิได้แบบผ่อนคลายมันมีแต่จะเร่งเร่งเร่งนะแล้วก็เกรงคือยิ่งเร่งเนี่ยมันยิ่งเกรงแล้วยิ่งอาการฟุ้งซ่านของเรานะอาการโลภอยากเอาของเราเนี่ยมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะภาพในหัวมันก็จะยิ่งมีแต่ไออะไรที่มันเป็นอกุศลเนี่ยลากจูงเข้ามามากขึ้นมากขึ้ น, นโอกาสที่จะ ไปเห็นลมหายใจเป็นสายเป็นเส้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยแทบเป็นศูนย์เลยนะอ่ะแหละก็เดี๋ยวคือพอทาอาณาปานสติจบทั้งทั้งชุดเนี่ยที่นี่ได้ดูก่อนแน่นอนนะก่อนก่อนที่ผมจะนำขึ้น YouTube เพราะว่าที่ YouTube เนี่ยภาพมันจะชัดกว่าในเฟซบ o o กนะผมจะเอาไว้ที่นั่นแต่ว่าจะให้ลิงก์ไว้ที่ Facebook นั่นแหละ แล้วก็คือบอกไว้นิดนึงก็คงจะทุกอย่างคงจะมาได้เวลาเสร็จไล่เยี่ยกกันการเอ่อการเปิดตัวมูลนิธิบูรณพุทธนะครับก็ก็คิดว่าหวังว่านะหวังว่าคงจะไม่เกินเดือนนี้ถ้าได้ภายใน สัปดาห์นี้ยิ่งดีเลยก็รอมานานแล้วเหมือนกันนะตอนตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ขั้นตอนเดียวจะเอาใบบอนุญาตตัวจริงเนี่ยมาผูกบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็จะได้เป็นมูลนิธิสมบูรณ์แบบนี้ตัวรายการดังเตรียมวิสาชนาไลาฟ์หรือว่า นะบทความยกจิตรับอรุณในแต่ละเช้านะครับทีทเ่เพจของดังตรินเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบุรณพุทธนะครับแล้วก็ตัวคลิปผมจะทำไม่ใช่แค่อานาปานสติอย่างเดียวนะความตั้งใจของผมเนี่ยคือมีมานานมากแล้วจะทำมาหาสติปัฏฐานสูตรทั้งหมดเลยเป็นเป็นหลักในการเจริญสติให้เห็น ว่าภาพภายในของผู้เจริญสติเนี่ยประสบการณ์ภายในเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วจากนั้นก็จะมีไอคลิปแยกย่อยไปเรื่อยๆตามตามตามคำถามตามเหตุผลนะตามตามข้อสงสัยของแต่ละท่านที่จะมีมาในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะครับเอาละก็มีคำถามต่อไป มีมีคำถามต่อไปนะเยอะเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปคำถามนะครับบอกว่ า, เ, าเราต้องถอนคำอธิษฐานไหมถ้าเราจะเดินสติไม่ก้าวหนาอันนี้ไม่แน่ใจว่าคำอธิษฐานอะไรนะ คือบางบางคนเนี่ยมีข้อติดขัดคือเกิดความรู้สึกว่าจะเดินสติไม่ก้าวหน้าด้วยเหตุประการต่างๆนะฮะแล้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยนะฮะก็จะผูกติดอยู่กับไอ้ความรู้สึกว่าเอ้เราติดกรรมอะไรบางอย่างไว้หรือเปล่าเราติดคําถามอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไว้หรือเปล่าเช่นบางคนรู้สึกว่ายังทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สําเร็จนะ แล้วจะเจริญสติไม่ได้หรือบางคนนะมีความสงสัยเอ๊ะฉันอธิษฐานพุทธภูมิมาหรือเปล่านะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีข้อติดขัดหรือข้อข้องใจในการที่จะมองตัวเองว่าเหมาะสม หรือว่ามีความสามารถจะปฏิบัติได้แค่ไหนนะมันมันก็กลายเป็นความกังวลใจไอ้ตัวความกังวลใจเนี่ยทางภาษาพระท่านเรียกปริพ o นะมันมันมีความห่วงได้สารพัดแบบอย่างเช่นคนไปบวชเป็นพระนะถ้าไปอยู่ไกลๆบางทีห่วงญาติห่วงพ่อแม่ห่วง น, น้นห่วงนี้นะห่วงห่วงงานห่วงภาระภารกิจบางคนไปบวชชั่วคราวนะรู้ว่าจะต้องกลับมาแน่ๆเนี่ยอันนี้คือ ค่อนข้างจะหนักเลยนะมันมันชัวร์อยู่แล้วมัน ม, มีความคิดอยู่ในหัวเนี่ยนะว่าเราไม่ได้จะบวดตลอดไปมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรขวางความเจริญอยู่นะพอพอจะเจริญก้าวหน้าในการเจริญสติขึ้นมามันก็มีความคิดติดขัดมันก็มีความขัดข้องเหมือนกับมีกำแพงขวางไว้ อะไรเหล่านี้เนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือว่ามัน เ, เป็นสิ่งคาใจมันเป็นความรู้สึกติดขัดเหมือนกับความพุ้งซ่านเนี่ยอา่าผมให้ดูถ้าถ้าเปรียบเทียบไปนะมันก็เหมือนกับมีอะไรที่รบกวนอยู่ในหัวมีม่านหมอกที่เข้มข้นอยู่ในหัวนะบางทีเข้มข้นเข้มข้นมากเนี่ยมันก็คือคาใจ มันมันมันมันรู้สึกอยู่ตรงนี้นะแต่ไปผลิตไอความภุงซ่านขึ้นมาในหัวเนี่ยได้มากๆทีนี้ถ้าเราไม่สนใจว่าออไอสิ่งที่คาใจนั้นเป็นอะไรนะแต่เราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคาใจสามารถที่จะถูกมองได้ว่าไม่เที่ยงมันก็จะกลัวมันน้อยลงหรือว่าไปคาใจกับมันน้อยลงนะ พอคาใจกับมันน้อยลงแล้วเรานึกตั้งใจเปลี่ยนคำอธิษฐานตรงนี้มันจะง่ายแต่ถ้าเริ่มต้นขึ้นมาเรายังดูไม่เป็นนะยังยังมองไม่ออกว่ามันเป็นแค่ภาวะความผุ้งสั้นชนิดหนึง่งนะเราก็จะกังวลว่าโอยสงสัยเนี่ยเราจะไม่สามารถปลิดความ ก, กังวลหรือว่าคำอธิษฐานเก่าๆหรืออะไรที่มันคาใจอยู่ออกไปให้พ้น อ, อกได้ ม, มันจะมีความไม่เชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งต้นเลยนะอยากอยากจะแนะนำแบบกว้างๆเลยเมื่อกี้ไม่ทราบว่ามีคาถามเป็นคำถามสืบเนื่องหรือเปล่าแต่ว่ามีที่ผมเห็นเนี่ยก็แค่ว่า เ, าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงคำอธิษฐานหรือเปล่าเนี่ยนะถึงจะก้าวหน้าผมตอบกว้างๆอย่างนี้เลยนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความคาใจเรามันจะรู้สึกอยู่ในอก อันนี้ผมไม่มีภาพแอนิเมชันแสดงความขาใจในอกนะแต่มีภาพแอนิเมชันที่แสดงผลผลิตของความขาใจนั้นก็คือความหนาแน่นของความพุงสั้นระดับความหนาแน่นของความพุงสั้นนี่แหละที่บอกเราได้ว่าเรากำลังติดสิ่งนี้อยู่ถ้าหากว่ามันหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ดูมันไปเรื่อยๆ ว่าแต่และลมหายใจมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เท่ากันมันไม่เท่าเดิมได้พอพอเห็นอย่างนี้เนี่ยมันใจชื้นละมันเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยถึงยังมีความคาใจอยู่ไอ้ความคาใจนั้นก็นํามาเป็นเครื่องมือในการเจริญส ต, ติได้มันไม่ใช่เครื่องขวางเสมอไปตราบใดที่เราเข้าใจอย่างแม่นยาว่าเราจะดูให้เห็นความไม่เที่ยงนะ มันเอามาใช้การได้หมดแล้วพอเราเห็นมันไม่เที่ยงไปเรื่อยๆจนรู้สึกไม่กลัวมันแล้วเนี่ยก็ค่อยไปตั้งใจนะเอาชนะมันบอกว่าโอเคเราจะเราจะเคยตั้งใจอธิษฐานอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเปลี่ยนเราอยากจะเจริญสติให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความเป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวตนในขอบเขตของกายใจนี้นะให้ทะลุปุกปลง มันมันจะกลายเป็นความรู้จริงขึ้นมาคือไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่การเห็นตัวเองแบบครึ่งๆกลางๆว่าเป็นใครหรือว่าตั้งใจให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะมันจะกลายเป็นความเห็นชัดว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยที่แท้มันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่แล้วก็แสดงความไม่ใช่ตัวตนอยู่นี่คือสาระสําคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านสอน สรุปก็คือนะจะอธิษฐานอะไรมาแล้วแต่จะรู้สึกติดขัดขัดข้องอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะดูให้เห็นความไม่เที่ยงของมันก่อนจนกระทั่งไม่กลัวมันนะเชื่อว่าเราสามารถที่จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราได้จากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปถอนคำอธิษฐานนะไม่สายอ่อ ผมขอเป็นคำถามสั้นๆนะเพราะบางทีถ้าถ้าเป็นคำถามยาวๆเนี่ยบางทีผมอ่านไม่ทันนะแล้วพอดีว่าไอ้เครื่องมือที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมันบางทีมันจะดูยากนิดนึงนะเวลาที่คำถามตกไปเร็วๆ อ่าก็ขอบคุณเช่นกันนะครับสําหรับการติดตามเพราะว่าผมถือว่าเนี่ยที่เรากําลังคุยคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นการรักษาศาสนาอย่างหนึ่งนะคือไม่ใช่มีแต่คนพูดมีคนฟังด้วยคนฟังนั่นแหละก็คือส่วนส่วนหนึ่งที่ช่วยกันรักษาศาสนาแล้วเอาละคํ า, าคถามต่อมานะครับบอกว่าตอนเริ่มนั่งสมาธิใช้คําภาวนาพุโทโธแต่พอทําไปสักพัก จิตกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกแบบนี้ควรทำอย่างไรอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแอนิเมชันด้วยเพราะว่าเรื่องการบริกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่กับนักเจริญส ต, ติไทยมาช้านานนะครับคือจะได้ให้คือจะให้เห็นว่ารูปแบบที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะทำมา ด้วยแนวทางตำราของสำนักใดก็ตามเนี่ยนะ เ, เราเราต้องเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังทำได้อยู่เนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นแผนที่เลยเป้าหมายของเราคือ น, นิพพานการได้บรรลุมรรคผลนะแต่ อันนั้นนะ่คือคือสิ่งที่พระพุทธศาสนามีขึ้นมาการบรรลุมผลอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่จะดับดับทุกข์ดับโศกดับไอ้ต้นเหตุของภพชาตินะซึ่งมันเกิดจากความยึดติดหลงผิดในตัวตนนะในเครื่องพดุงพลังอะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ย ไม่ใช่อยู่ๆมันทำกันง่ายๆนะมันมันต้องมันต้องเข้ามาเห็นในกายใจให้รู้ซะก่อนว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนนะเห็นไปจนสามารถสละเนี่ยอย่างสละโลกได้แล้วก็เอ่อมีใจที่ไม่ผูกพันกับไอ้อะไรอะไรในโลกเนี่ยนะตรงนั้นถึงจะมีความพร้อมที่จะบรรลุมรรคผล และก่อนที่จะเห็นกายใจได้เราต้องมีสมาธิระดับหนึ่งนะแล้วสมาธิที่ว่าเนี้ยคืออยู่ๆเนี้ยไม่ใช่จะปิดเหมือนกับทำตามรูปแบบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะคาดหวังว่าจะเกิดสมาธิจิตแบบนั้นขึ้นมาแน่ๆนะแต่และสำนักถ้าไม่มีคนประสบความสำเร็จอยู่ มันก็ไม่สามารถสืบทอดไอวิชาหรือว่าตําราหรือว่าไอแนวทางแบบนั้นๆได้หรอกมันต้องมีคนประสบความสําเร็จแต่ว่าเราเ อ, อยู่ตรงไหนของอสํานักนั้นๆหรือว่าตําราแบบนั้นๆต่างหากนะถ้าสํารวจเข้ามาในตัวเองถูกว่าเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นก่อนเข้าถึงการเห็นกายใจ หรือว่าเรามัวติดอยู่กับวิธีปฏิบัติหรือว่ามุมมองภายในผิดๆตรงนี้ถ้าถ้าหากว่ามองออกนะ <futures. S 1> มันจะกระโดดพรวดเลย Maryland. คือคือก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยก้าวก้าวกระโดดได้เลยภายในวันเดียวเนี่ยผมเคยเห็นมาแล้วนะคนที่ยังไม่เคยได้มีความรู้อะไรมากมายแต่รู้ มุมมองที่จะเห็นกายใจตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดสมาธิได้มันก็เกิดความเห็นว่าไม่เที่ยงได้เกิดความรู้สึกขึ้นมาอ่อนว่าไอ้กายใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่หุ่นให้ถูกมองว่าไอ้นี่นะเขาเรียกอนัตตาแต่ถ้าทำไม่ถูกมีมุมมองไม่ถูกนะกี่ปีกี่ปีผ่านไปเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่กับมุมมอง ยังยังไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าบันไดขั้นที่หนึ่งสองสามของสติปัฏฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเอาแค่ว่าก่อนขึ้นบันไดเนี่ยเรามีมุมมองเนี่ยนะถูกต้องหรือเปล่าถ้ามีมุมมองไม่ถูกต้องบางทีนะนอกจากไม่ขึ้นบันไดมันอาจจะกําลังลงทางลาดก็ได้หรือว่าอาจจะไป ไตรกระไดลิงที่ไหนขึ้นต้นไม้ผิดๆนะคือคือมันเป็นไปได้ทุกอย่างถ้ามุมมองผิดพลาดพระพุทธเจ้าทั้งท่านหนึ่งตรัสว่าสัมมาทิฏฐิหรือมุมมองที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยอย่างกรณีนี้คําถามก็คือว่านะมุมมองภายในนะบางทีบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพุโทพธโธไปอยู่ดีๆมาจับลมหายใจลมหายใจปรากฏขึ้นม า, นมาก็เกิดความสับสวนลังเลว่า เอ๊ะนี่มันกำลังเป็นไอ้วิธีหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือผิดพลาดอยู่ความไม่รู้มันจะทำให้เราไม่ลงใจกับตัวเองนะว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วพอมันกังวลขึ้นมาแค่เนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะมันไม่ไปไหนแล้ว มันจะวนลูบอยู่กับไอ้ความสงสัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นนิวรชนิดหนึ่งเป็นเครื่องวาดความก้าวแนาก็เพราะอย่างเนี้ยมันจะติดวนพอนั่งบริกรรมพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธไปดีๆไปมีความรู้ลมหายใจขึ้นมาเอาละไม่รู้ไม่ยอมรู้ลมหายใจต่อแล้วมันจะมีมีแต่ไออาการกังวลเนี่ยวนลูบอยู่กังวลเพราะว่าไม่รู้ว่านี่ถูกหรือผิดเสร็จ แ, แล้ว ไปถามคนโน้นทีคนนี้ทีแต่และสำนักก็จะบอกไม่เหมือนกันบางคนบอกทันทีเลยว่าคุณปฏิบัติผิดแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามเนะถ้าไม่ทำอย่างที่เขาบอกผิดจแล้วไอ้ที่บอกที่ทำอย่างเขาบอกเนี่ยเขาจะไปถึงไหนพาไปถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ตรงที่ เพระเล์เจ้าท่านตัดไว้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความหมายเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะเริ่มต้นขึ้นมาจําไว้นะแม่นแม่นเลยนะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำบริกรรมพุทโธไม่ใช่แม้กระทั่งลมหายใจแต่เป็นจิตที่ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ากายหนีใจนี้เป็นตัวเป็นตน สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะีก่อนจะถึงมรรคผลนะีก็คือจิตที่มีความรู้จริงว่าภายในขอบเขตกายใจเนี่ยไม่เที่ยงล้นล้วนแล้วก็ไอ้ที่มันแสดงความไม่เที่ยงได้เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่มีอะไรเป็นก้อนตัวตนจริงๆมันมีแต่มารวมกลุ่มกันแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ต้องแตกสลายไปอย่างลมหายใจเนี่ย มันมามีตัวมีตนอยู่ในร่างกายของเราแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องคายคลืนกลับออกมาสู่ความว่างเปล่าหรือแม้แต่คําบริกรรมพุทโธมันดูเหมือนมีตัวมีตนมีคําว่าพุทธมีคําว่าโธอยู่ในหัวมันมันจริงจังมากนะตอนที่มีคําว่าพุทธโธอยู่ในหัวเนี่ยไม่เหมือนมีตัวเราอยู่จริงๆมีตัวของพุทธโธอยู่จริงๆ พอคำว่าพุทธโธหายไปเนี่ยแล้วเราย้อนนึกกลับไปนะตอนที่มันชัดเจนมากๆเนี่ยมันคล้ายๆโรงละครที่ถูกรื้อฉากเก็บอตอนแรกๆมันมีเวทีที่นะมีฉากมีตัวแสดงมีตัวพุทธโธอยู่บนเวทีนั้นพอรื้อฉากเก็บถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านบนเวทีโลงไม่เหลืออะไรเลย มันจะคล้ายๆกับฝันไปเหมือนกับที่ในหัวเราเนี่ยพราะคำว่าพุทโธหายไปนะแล้วนึกถึงคําว่าพุทโธไม่ออกแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่ผ่านมามันฝันไปมันเป็นแค่อุปทานลวงใจสั้นๆความรู้สึกจะเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะกังวลว่าเอ๊ะเมื่อกี้พุทโธหายไปแล้วกลัวว่า เราจะสูญเสียสิ่งสำคัญไปกลัวว่าเราจะกำลังออกนอกทางในความกลัวนั้นก็จะไปพยายามเรียกพุทโธกลับมานี่เท่ากับยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าพุทธโธเนี่ยเป็นสมบัติ ด, ดีเป็นคะแนนการปฏิบัติเป็นแต้มบวกเป็นสิ่งที่น่าเอาน่ายึดน่าหวงไว้เป็นของเราไอ้ตอนที่ใจเนี่ยนึก ว่าพุโทโธเป็นของดีเนี่ยนะลองสำรวจเข้าไปมันมันสำคัญมั่นหมายไปจริงๆว่าเนี่ยของดีเนี่ยของของเราเราลืมจุดมุ่งหมายเดิมที่พระพุทธเจ้าบอกให้มองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วมันแสดงให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ของของเรามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังและที่มันเป็นอนิจจังได้ก็เพราะว่า มันเป็นแค่สิ่งปรุงประกอบขึ้นมาชั่วคราวอย่างคําว่าพุโทโธมีคําว่าพุทมีคําว่าโธประกอบกันมีการนึกคิดมีจิตใจของเราเป็นผู้คิดนะเมื่อจิตใจมันเสื่อมจากไอสมาธิคําว่าพุโทโธก็หายไปจากจิตหรือเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิที่พ้นระดับความคิดขึ้นมา คำว่าพุทโธก็หายไปอีกเหมือนกันมันแสดงความไม่เที่ยงพุทโธมาเพื่อแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นไม่ใช่มาเพื่อให้เรายึดไว้ว่าจะต้องพุทโธไปเรื่อยๆนี่คือมุมมองที่ถูกต้องซึ่งถ้าเราไม่มีมุมมองที่ถูกต้องต้องตรงนี้นะมันก็จะไปต่อไม่ได้อะทีนี้พอ กลับมาเข้าคำถามเมื่อกี้คำถามคือว่าพอภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาจับที่ลมหายใจแล้วจะให้ทํายังไงต่อคือกังวลว่าอันนี้มันผิดหรือเปล่าอยากจะให้เป็นสมาธิด้วยการรู้อะไรอย่างเดียวท่าทีที่ ถ, ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับมุมมองภายในคือเมื่อพุโทโธหายไป แล้วมันมารู้สึกถึงลมหายใจให้บอกตัวเองว่าพุทโธแสดงความไม่เที่ยงให้ดูแล้วตอนที่อะไรก็ตามแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นเราจะรู้สึกว่าจิตห่างออกมาจากสิ่งนั้นเหมือนอย่างที่พุทโธหายไปจิตก็จะรู้สึกว่าพุทโธเนี่ยนะ ไม่ใช่ตัวของจิตจิตเป็นเพียงผู้รู้พุทโธจิตที่ว่างเปล่าจิตที่สบายนั้นถ้าเขาจะเลือกเห็นลมหายใจขึ้นมาเองก็ให้มีความพอใจที่จะเห็นลมหายใจนั้นแต่ไม่ใช่เห็นเพื่อที่จะให้ยึดว่าลมหายใจเป็นเครื่องทำความสบายให้กับเรา ถึงแม้ว่าลมหายใจจะมีความสุขถึงแม้ลมหายใจจะก่อให้เกิดความรู้สึกอื่นๆเราแค่ยอมรับไปตามจริงเราแค่ทำให้สติในขณะนั้นเนี่ยนะไม่ยอมที่จะเห็นไม่ยอมรับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่นะพอพุทโธหายไปแล้วลมหายใจปรากฏขึ้นมาแทนเนี่ยจะเป็นลมหายใจแห่งความสบายมันอาจจะเป็นลมหายใจยาว ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเราก็รู้ไปณขณะนั้นลมหายใจนําความสดชื่นมาให้เราเสแล้วในลมหายใจต่อมาอาจจะยังยาวเหมือนเดิมก็รับรู้ไปว่าอืมลมหายใจนี้มันก็ยังนําความสดชื่นมาให้เราอยู่แต่พอหลังจากนั้นความสดชื่นหรือว่าความยาวของลมหายใจมันจะค่อยๆถดถอยลงมาเรื่อยๆตามธรรมดา ของธรรมชาติทางกายนะพามันหายใจเอาอากาศเข้ามามากๆอึดอัดเข้ามันก็ต้องการแค่หายใจแบบน้อยๆแล้วความสดชื่นมันก็อาจจะลดหลั่นลงมาลดระดับลงมาหรือความสดชื่นอาจจะทวีตัวขึ้นเป็นปิติอย่างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงเราทําความพอใจที่จะเห็นตามจริงยอมรับตามจริง ไม่ใช่ไปพอใจที่จะเห็นมันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นคงเส้นคงวายอยู่อย่างนั้นแล้วตัดสินว่าอันนั้นคือสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในขณะกำลังนั่งสมาธิการจะเอาแต่ดีคือทิศทางที่ผิดการจะพอใจเห็นความไม่เที่ยงทั้งขาขึ้นและขาลงคือทิศทางที่ถูกต้องจำไว้ง่ายๆแค่นี้นะครับ คำถามนี้เป็นคำถามสำคัญบอกถามว่าถ่านั่งสมาธิจะทำให้เห็นอนิจจังการเกิดดับจนระลึกได้ว่าไม่มีตัวตนได้อย่างไรคือจริงๆต้องทำความเข้าใจไว้อย่างนี้ก่อนนะอนัตตาเนี่ยกำลังแสดงตัวเองอยู่แล้วไม่มีในโลกนี้ในจักรวรรนี้ไม่ว่าอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตไม่เคยมีอัตราแสดงตัวตนเลยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเป็นอนัตตาล้วนๆมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่มันกําลังฟ้องตัวเองอยู่ว่าเป็นอนัตตาแต่ที่ผ่านมาชั่วกับชั่วกันพวกเราไม่เคยเห็นความจริงนี้เลย เพราะพอเกิดมาปุ๊บนะธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันก็จะบีบคั้นให้เด็กเนี่ยร้องเอานมมันจะบีบคั้นให้เราร้องห่มร้องไห้เป็นความรู้สึกเอาเข้าตัวล้วนๆสร้างความรู้สึกผิดๆยึดติดสำคัญวั่นไหวว่าเนี่ยของกูต้องเอามาตัวกูต้องได้ก่อนนะคือไอ้คำว่า ต้องได้ก่อนเนี่ยจริงๆแล้วติดอยู่ในใจของมนุษย์เกือบทุกคนไอ้ความรู้สึกว่าต้องได้มาให้ร่างกายนี้ทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกในตัวตนและจิตใจความรู้สึกนึกคิดที่มันอาศัยร่างกายนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกนึกคิดในแบบที่เข้าข้างตัวเอง มีความรู้สึกเราบอกว่ามีเงาของตัวเราเนี่ยมีหน้าตาของตัวเราเนี่ยปรากฏปรากฏเป็นอมะตะอยู่ถ้าไม่ที่ตรงนี้ก็ต้องที่ไหนสักแห่งหนึง่งนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทําลายความเห็นผิดนี้แหละเมื่อทําลายความเห็นผิดไปได้ อนัตตาที่มันปรากฏอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่แจ่มแจ้งแก่จิตไปเองคือเราไม่ต้องไปตกแต่งอนัตตาไม่ต้องไปพยายามประดิษฐ์อนัตตาอะไรขึ้นมามันปรากฏของมันแจ่มชัดคนโทรอยู่แล้วมันกําลังครอบงำเราอย่างโฉงคลื่มอยู่แล้วนะชั่วกับชั่วกันเนี่ยแต่เรามองไม่เห็น วิธีทําให้เห็นเริ่มต้นจากการสังเกตความไม่เที่ยงเพราะว่าลองดูเข้ามานะเวลาที่เราหายใจเข้าครั้งเดียวเราจะรู้สึกขึ้นมาว่าเนี่ยที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยมันเป็นลมหายใจของเราเราเป็นผู้หายใจคือมันมันมีเราเป็นผู้หายใจตั้งต้นขึ้นมาก่อน แล้วลมหายใจจึงเป็นของเราตามแต่ทีนี้ถ้าเราทำสมาธิแบบพุทธโดยค่อยๆสังเกตอ่าเดี๋ยวก่อนจะถึงก่อนก่อนจะถึงขั้นที่เราเป็นผู้สังเกตเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจแบบพุทธก่อนว่าลมหายใจเป็นเพียงแค่ธาตุลมไหลเข้าไหลออกผ่านเข้าผ่านออก อยู่ในกายอันเป็นอนัตตานี้อยู่ในท่านั่งอันไม่ใช่เรานี้เมื่อเห็นว่ามันไม่เที่ยมมันสักแต่เป็นธาตุลมมันจะเกิดความรู้สึกประหนึ่งว่าการรับรู้ลมหายใจนั้นนะ มีการแยกตัวออกมาเป็นต่างหากจากลมหายใจจริงๆแล้วเนี่ยจิตกับลมหายใจมันเป็นต่างหากจากกันอยู่แล้วมันมีช่องว่างที่ไม่เคยเข้าถึงกันอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามีความสำคัญมั่นหมายผิดๆมีตัวยางเหนียวที่ยึดติดระหว่างจิตกับลมหายใจอยู่ทำให้จิตเนี่ยนะ มันเข้าใจมาตลอดว่าเนี่ยเป็นลมหายใจของมันต่อเมื่อจิตมาอยู่ในฐานะของผู้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าลมหายใจไม่เที่ยงลมหายใจไม่ใช่ตัวตนมันก็มีอาการทางจิตอีกแบบหนึง่งคือสังเกตว่าลมหายใจเนี่ยที่เข้าที่ออกที่เข้าที่ออกเนี่ย เดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นมันเป็นคนไรชุดกันแล้วที่มันเป็นคนไรชุดกันเราเห็นไปเรื่อยๆจนจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยนะมันกลายเป็นความรับรู้ไปอีกแบบมันจะเหมือนกับอยู่ๆนะจิตมันก็ตื่นขึ้นมาจากอาการหลับไหลรับรู้ว่า ไอ้ที่เรียกลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยสักแต่เป็นอะไรผ่านมาแล้วผ่านไปเป็นแค่สภาวะชั่วคราวอย่างหนึง่งไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ตัวของจิตตอนแรกๆมันจะเห็นอย่างนี้ก่อนนะจากนั้นพอมาสังเกตว่าความคิดที่เกิดขึ้นในหัวก็ตามความรู้สึกที่มันปรากฏอยู่ในขอบเขตของกายใจนี้ก็ตาม มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่แตกต่างจากลมหายใจคราวนี้มันก็จะเริ่มเกิดเริ่มเกิดความสว่างขึ้นมาว่าเออแม้แต่ขอบเขตของกายใจนี้ภาวะในกายใจนี้ก็ไม่มีอะไรต่างกันเลยมันเป็นอนัตตาเหมือนกันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยตัวนี้แหละความรู้สึกที่เป็นอนัตตานะมันจะเริ่มต้นขึ้นมาจากการตื่นขึ้น นะรับรู้ความไม่เที่ยงพอรับรู้ความไม่เที่ยงมันจะคล้ายๆกับมันตัวใครตัวมันแยกออกมาเป็นนางหากจิตอยู่ส่วนจิตลมหายใจอยู่ส่วนลมหายใจจากนั้นความรับรู้กระจ่างว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันจะตามมาเองเพราะอะไรอย่างที่บอกแล้วตั้งแต่ต้นอนัตตา ม, มันปรากฏแสดงอยู่ตลอด24ชั่วโมงชั่วกัะชั่วกันอยู่แล้ว เราแค่ทำให้จิตเลิกยึดติดหลงผิดเท่านั้นเองและหลักการของพระพุทธเจ้าง่ายๆนะก็คือเริ่มต้นจากการสังเกตความไม่เที่ยงของลมหายใจถ้าใครเข้าใจเรื่องของอาณาปานสติจริงๆก็จะเห็นว่าลมหายใจนะที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นแค่ จุดเริ่มต้นไม่ใช่ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนคำบริกามหุตโธก็เหมือนกันมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิมากพอที่จะเห็นความไม่เที่ยงนะครับพอเห็นความไม่เที่ยงได้เนี่ยแหละตัวนี้แหละที่มันจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การรู้แจ้งว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา คำถามต่อมานะครับบอกว่าถ้านั่งไปเรื่อยๆแล้วลมหายใจหายไปควรให้ทำอย่างไรควรกลับมากำหนดรู้ที่ลมเหมือนเดิมหรือควรปล่อยให้หายไปคือเจ้าของคำถามนะมีจุดอยู่ในใจอยู่จุดหนึ่งคือกลัวอันนี้เขียนเองนะไม่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ไม่ได้เดานะ ความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปไม่ถึงไหนนะถ้าหากว่าอันนี้พูดครอบคลุมเลยจเจริญสติไปแล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาภายในขอบเขตของกายใจแล้วเกิดความกลัวเพราะเห็นว่ามันแปลกเพราะเห็นว่ามันจะนำไปสู่ ความตายหรือความเป็นบ้าอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เป็นเครื่องประกันได้ดีที่สุดคือการระลึกว่าตอนนี้มีความจริงอะไรให้เห็นถ้าเรามีสติอยู่ตรงกับความจริงที่กาลังเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวบ้าไม่ต้องกลัวตายนะต่อให้ตายเดี๋ยวนั้นก็เป็นการตายที่น่าพอใจแน่นอนเพราะว่าสติ จะทำให้เกิดมหากุศลกิตแน่นอนถ้าตายไปพร้อมกับมหากุศลกิจนะเชื่อเถอะว่าน่าดีใจไม่น่าเสียใจเชื่อเถอะว่าไม่มีอะไรน่ากลัวอะแหละทีนี้มาตอบคำถามบอกว่านั่งสมาธิไปแล้วลมหายใจมันขาดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่า ถ้ามีความระ ง, งับความปรุงแต่งทางกายกายไม่กวัดแกว่งมีความสงบระ ง, งับหรือแม้กระทั่งลมหายใจเนี่ยมันเว้นช่วงนานหรือว่าแผ่วหรือว่าเราอยู่ในสมาธิจิตมันเป็นสมาธิจนกระทั่งตัดในการรับรู้ทางประสาทกายหยาบหยับจริงๆหายใจอยู่แต่นึกว่าไม่หายใจแล้วนะเพราะว่าจิตมันมา อยู่กับความรับรู้ภายในของจิตเองจะเพื่อความสบายใจนะลองตั้งกล้องไว้ก็ได้ตอนเนี้ยทําได้ง่ายๆอยู่แล้วใช้มือถือมาตั้งกล้องดูคือเกินเก้าสิบห้าคนที่ผมเคยสังเกตมานะที่บอกว่าลมหายใจหยุดนะจริงๆลมหายใจไม่ได้หยุดนะคือคนที่นั่งดูอยู่เนะี่ยเห็นได้ชัดๆเลยนะว่ายังหายใจอยู่ แล้วถ้าเราจะสบายใจเนี่ยก็คือต้องตั้ ง, ต, งตั้งกล้องอทำคลิปเอาเองได้คอร์ดไว้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาวะทางกายของเราทั้งนี้ทั้งนั้นคือนั่งสมาธิจนลมหายใจหยุดไปจริงๆสนิทจริงๆงเนี่ยมีอยู่นะแต่อันนั้นเป็นฌานขั้นสูงนะครับมันมันไม่ใช่ฌานขั้นมันไม่ใช่สมาธิขั้นต้นๆ น, น, นะคือร่างกายเนี่ย มันเข้าสู่การปฏิรูปตัวแปล ร, รูปไปเป็นอีกแบบหนึง่งคือคือกระบวนการภายในของร่างกายเนี่ยมันต่างไปเลยนะไอไอตรงนั้นมีมีเรื่องของลมหายใจหยุดจริงแต่ขั้นต้นๆเนี่ยนะขอให้เราคิดไว้อย่างนี้ว่าจิตของเราเนี่ยดีแล้วที่มันว่างมากพอที่จะเกิดความรับรู้นะในแบบที่จะให มีความเด่นชัดเป็นแค่การรับรู้ทางจิตไม่ต้องมาผ woven กับความรับรู้ทางกายนะครับเราเราตั้งตั้งมุมมองไว้อย่างนี้ก่อนเป็นเรื่องดีที่จิตเนี่ยไม่ต้องมารับรู้อะไรทางกายมากเหมือนปกตินะเพื่อที่จะไปสังเกตความปรุงแต่งในขั้นต่อๆไปของจิตเองยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้พอลมหายใจขาด เรามีความรู้สึกกลัวนั่นแหละสิ่งที่เราจะดูต่อจากลมหายใจนะคือพอเรารู้สึกว่าอ่าไม่มีลมหายใจให้ดูแล้วสิ่งที่มันจะมีให้ดูทันทีคือความกลัวความกลัวหน้าตาเป็นยังไงมันจะมีความรู้สึกเหมือนตื่นตื่นตื่นตื่นแบบลนลานนะไม่ใช่ตื่นตื่นแบบว่าตื่นรู้นะตื่นตื่นในแบบว่าเอ่อกังวล แล้วก็มีอาการเหมือนกับไม่สบายใจอาการไม่สบายใจเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าใจนะมันไม่สงบถ้าใจมันสงบนิ่งจริงๆเนี่ยมันไม่มีความกลัวตายไม่มีความกลัวผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นให้เห็นมีแต่การยอมรับตามจริงขอให้มองว่าถ้าจิตของเรากําลังอยู่ในสภาวะดีๆเป็นสมาธิเนี่ยนะมันดีซะยิ่งกว่า ตอนที่ภาวะทางกายทางใจเป็นปกติอีกเพราะภาวะทางกายทางใจเป็นปกติเนี่ยจิตมันปุ้งซ่านนึนิทิชคิ ด, ค ด, คดนะแล้วร่างกายบางทีก็หลั่งสารไม่ดีอะดนดรีนาลีนอะไรแบบนี้หรือว่าสารที่เป็นพิษทําให้เกิดความเครียดนะแต่ตอนที่จิตเป็นสมาธิอยู่มันมีแต่สารดีๆออกมานะมันมีเอ็นโดฟินมันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่เป็นเป็นเป็นสารดีๆเนี่ยที่ออกมาเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่า เ, เขายืนยันกันอยู่แล้วนะว่าตอนเป็นสมาธิเนี่ยร่างกายมันดีกว่าปกติเนี่ยนะเราก็มองว่าไม่ต้องไปกลัวเราดูเข้ามาที่ใจอย่างเดียวเลยเอตอนนี้ถ้าหากว่ามันมีความเบามันมีความสบายมันมีความไม่กังวลมันมีแต่ความเงียบนิ่งมีแต่ความเย็นแผกกว้างออกไปก็ดูอยู่แค่นั้นแต่ไม่ใช่ไปติดใจ ไม่ใช่ไปยึดว่าเนี่ยเรามาถึงจุดที่ดีแล้วเรามาถึงจุดที่วิเศษแล้วแต่ให้ดูว่าไอ้ที่มันนิ่งมันเงียบมันเยน็นมันนานเนี่ยมันนานแค่ไหนในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดความคิดอะไรขึ้นมามีความรู้สึกอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมาไอ้ความผิดปกติทางจิตที่มันนิ่งเงียบนะความผิดปกติแรกนั่นแหละที่สําคัญที่สุดน่าดูที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ แสดงความไม่เที่ยงของจิตที่เป็นสมาธิแสดงความไม่เที่ยงของจิตที่นิ่งที่เย็นที่สบายเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่มันนิ่งมันเงียบหรือแม้แต่กระทั่งภาวะทางกายนะที่มันเปลี่ยนแปลงจากหายใจเป็นไม่หายใจแล้วจากไม่หายใจมันกลับมาหายใจใหม่ไอ้ตรงนี้เนะี่ยที่มันเป็นประโยชน์เห็นบ่อย โดยทำไม่ในใจว่านี่เรากำลังสังเกตความไม่เที่ยงเรากำลังเป็นนักสังเกตการอ น, นิจจังถ้าเราเป็นนักสังเกตการผู้มีความเชี่ยวชาญแล้วไม่คิดไปทางอื่นไม่สงสัยไปทางอื่นในที่สุดแค่มันปรากฏความไม่เที่ยงขึ้นมาแวบเดียวสติของเราจะคมมากพอ ที่จะรู้สึกว่านั่นเราเห็นความไม่เที่ยงอีกแล้วแล้วจิตนะมันมันจะเหมือนกับมีความพอใจที่จะเห็นไปอีกโลกหนึ่งเลยจากที่เดิมเนี่ยมันยึดอยู่แต่ว่าฉันพอใจที่จะคิดฉันกลัวความคิดจะหายไปมันกลายเป็นการทับรู้ว่าเออเนี่ย ไอ้ที่มันห า, หายไปหายไปหายไปแม้แต่ลมหายใจหายไปเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกเพราะเราได้สิ่งใหม่มาคือปัญญาแบบพุทธหรือที่เรียกว่าพุธทธิปัญญามันมีความแจมแจ้งว่าทั้งหลายทั้งปวงภายในขอบเขตของกายของใจนี้ไม่น่ายึดติดไม่น่าหวงไว้ว่าเนี่ยเราต้องเอาให้ได้เราต้องคลองไว้ให้ได้เราต้องรักษามันไว้ให้ได้แต่นะมันจะเปลี่ยนมุมมองไปอีก ทิศทางหนึ่งนะมันหายไปก็ได้ไม่เป็นไรไอ้ตัวที่รู้สึกขึ้นมาจริงๆซึ้ง ข, ขึ้นเข้าไปถึงใจเลยเนี่ยว่ามันหายไปก็ได้ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันต้องค่อยๆสั่งสมมาจากอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละตอนทําสมาธิเราเห็นลมหายใจมันหายไปก็ได้พอเป็นสมาธิขึ้นมาอีกนิดนึง มีแต่ตัวรู้ลมหายใจเหมือนหายไปแล้วก็บอกเออลมหายใจเนี่ยที่มันหายไปเราได้สิ่งใหม่มาคือตัวผู้รู้ผู้สังเกตและตัวผู้รู้ผู้สังเกตบางทีเนี่ยมันก็เป็นสมาธิหนักแน่นบางทีมันก็โยกเยกโครงเคลงเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาอีกว่าสมาธิมันหายไปก็ได้เราไม่หวง ไอตัวไม่หวงไม่หวงไม่หวงเนี่ยถ้เห็นว่ามันหายไปก็ได้หายไปก็ได้หายไปก็ได้เนี่ยตัวนี้แหละที่เป็นพุทธิปัญญาของแท้เมื่อเกิดสมาธิในแบบที่เป็นพุทธิปัญญาของแท้แล้วเนี่ยนะมันจะเหมือนกับไม่มีอะไรให้สงสัยอีกมีอะไรมาก็ดูต่อให้เป็นปรากฏการณ์พิสดารที่คนทั้งหลายเนี่ยเขายึดกันเหลือเกินว่าโอ้โหนี่เก่งนะเนี่ยนะได้เห็นปรากฏการณ์อะไรพิสดารพันลึกไง เราก็จะมองว่าเออเราไม่ยึดไปกับเขาหรอกเราไม่เต้นไปกับเขาหรอกไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าอัศจรรย์พันลึกอะไรเลยนะมันผ่านมาเพื่อจะผ่านไปไม่มีใครจำหรอกว่าเราได้มาถึงขั้นไหนแล้วเจ๋งแค่ไหนแล้วนะไอ้ภาวะเจ๋งๆยิ่งกว่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หายไปหมดแล้ว พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสเนี่ยให้เปรียบเทียบกับพระองค์เองเนะว่าวันหนึ่งพระองค์ก็จะต้องสิ้นพระชนไปดับขันทัปปรินิพานซึ่งก็ดับขันทัปปรินิพานแสดงให้พวกเราเห็นแล้วจริงๆเมื่อ 2,500 ปีก่อนหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์กนก่อนนะท่านได้สัพพัญยุติยานกันนะรู้แจ้งหมดทั้งจักรวาลทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือความสงสัยอะไร ต, ติดขัดอีกเลยเนี่ยนะ พวกท่านเนี่ยมีปริมาณมากเท่าเม็ดทรายในท้องสมุทรเหล่านั้นท่านก็สิ้นกันไปหมดแล้วดับขันถ้าปรินิพานกันไปหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านให้ดูเพื่อความเป็นธรรมสังเวชนะคือคือให้เห็นว่าจะเกิดภาวะปรากฏการอะไรขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เป็นแค่หนึ่งในปรากฏการที่เกิดขึ้นในจักรวาล น, นี้มันมีความหมายอยู่แค่นั้นแหละเกิดขึ้นแป๊บหนึ่ง แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่มีความเท่ตราบใดที่มันยังเป็นความทุกข์และความทุกข์ที่แท้นะครับก็คือการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาโดยย่นย่ออุปทานขันห้านี่แหละเป็นทุกข์คือไอ้ความยึดติดกับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปนี่แหละตัวนี้แหละที่เป็นทุกข์นะตัวยึดติดเป็นความเกิดขึ้นที่ศูนย์แปลว ปรากฏการทั้งหลายทางจิตหรือว่านอกจิตทั้งหลายก็สูญเปล่าเหมือนกันถ้าหากว่าเรายึดไว้นะเราจะเห็นเลยว่ามันยึดไม่ได้ในที่สุดก็ต้องปล่อยมือไปอยู่ดีเราจะเต็มใจปล่อยหรือไม่ปล่อยมันก็ต้องหายไปอยู่ดีทีนี้ถ้าเราเต็มใจปล่อยนี่แหละที่มีความหมายเพราะว่าในที่สุดเราก็จะได้ไม่ต้องตามไปเกิดดับเหมือนกับมันอีกนะไม่ต้องตามมันไปเกิดดับอีก เอาล้ครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้เวลานะเดี๋ยวคราวต่อๆไปเนี่ยก็คิดว่าคงจะคุยกันสนุกขึ้นแหละนะถ้ามีแอนิเมชันประกอบเดี๋ยวช่วงนี้คือกำลังต้องต้องทำให้ไอ้ส่วนหลักเนี่ยนะทั้งเรื่องของอาณาปานสติเรื่องของมหาสติปัฏฐานสุตเนี่ยให้จบครบก่อนแล้วจากนั้นเดี๋ยว คือไอ้คำถามพวกนี้อย่างบริการพูดโทรหรืออะไรซ้าๆเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามอีกเนี่ยผมจะส่งลิงก์ให้ดูเลยนะมันมันก็จะได้เกิดความกระจ่ายเกิดความเข้าใจไม่งั้นผมก็ต้องพูดวนนะพูดซ้ำไปเรื่อยแล้วถ้าทำแบบเนี้ยมันจะตอบคำถามได้มากขึ้นนี่ อ, อย่างบางท่านเพิ่งมาอาจจะสงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมมีแอนิเมชันทำไมต้องมีแอนิเมชันเพราะว่าแอนิเมชันเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถเอาประสบการณ์ภายในนะ้งจิตเนี่ยออกมาแสดงให้ตาเห็นเป็นรูปธรรมได้ซึ่งมันยากนะที่จะถอดออการรับรู้ภายในออกมาเป็นแอนิเมชันเนี่ยคือ ในพุทธศาสนาเรานะเราอยู่ในยุคที่พุทธศาสนามีด้วยแล้วก็เทคโนโลยีแอนิเมชันเนี่ยมันมีได้ก็ถือว่าเป็นความน่าขอบคุณนะทั้งพุทธศาสนาที่อุบัติในช่วงยุคของเราแล้วก็ยุคของเราอยู่ในจังหวะที่สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ภายในออกมาได้แบบนี้นะครับก็ มาช่วยกัน ร, รักษาพุทธศาสนาลงไปถึงแก่นลงไปถึงรากด้วยกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปแล้วก็จะได้เห็นเองว่าสิ่งทีนะ่เรียกว่าชีวิตเราใครจะพอใจไม่พอใจก็ตามเนี่ย เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่น่าส ร, รยจขนาดไหนที่เราสามารถที่จะจะเดินสติตามพระพุทธเจ้ากันได้ง่ายๆนะโดยมีเครื่องแสดงโดยมีเครื่องกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ตามนะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มาจากคือเงินบริจาคของโครงการพระประธานทั่วรานะ อันนี้คือคือเป็นพูดง่ายๆว่าเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับมาทําและโครงการแอนิเมชันเจริญสตินี้ก็เป็นแค่ส่วนเดียวเป็นแค่โครงการเดียวจริงๆแล้วยังมีโครงการแอนิเมชันที่จะนิทานเด็กนะฮะให้ให้เด็กเนี่ยผมตั้งชื่อเป็นนิทานคิดเองดีเองเพื่อให้เด็กเนี่ยคิดว่าเขาอ่ะคิดดีของเขาเองไม่ได้มีผู้ใหญ่ที่ไหนไปนบังคับนะครับ แล้วเดี๋ยวพอโครงการทั้งหลายนะไม่ไว่าจะเป็นน้ำกุดจอน้าบาดาล น, นะครับสร้างโบสถ์นะหรือว่าสร้างอาคารเรียนมาเอามาแสดงให้เห็นพร้อมๆกันก็คงจะชื่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำมาร่วมกันตั้งแต่โครงการพระประธานทั่ว่างเนี่ยมันงอกเงยมันต่อยอดออกมาได้ขนาดไหนนะเรากำลังคือไม่ใช่แค่สร้างพระแต่เรากำลังจะรักษาศาสนากันครับ โอเคครับวันนี้ก็น่าจะได้เวลานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้าไม่ติดขัดนะฮะทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมามีดังตินวิสัยชนาไลฟ์กันวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ